เกียรติรษานี่ยังไม่ใช่พระเถระเลยนะแต่มันผ่าน น, นิสัยมุตตกะนิสัยมุตตกะก็คือนิสัยที่พระใหม่จะต้องอยู่กับอุปชาหรืออาจารย์อย่างน้อยห้าปีอาตมานี่เห็นอุปชาท่านคงไม่มีไม่มีคําตอบในปรมอาจารย์ให้เราได้ท่านบดให้เรากินแต่พอมาละเลิกถึงสิ่งที่ท่านจะให้เราในความหวังที่เราอยากได้ท่านไม่มี ในเมื่อท่านไม่มีคุณสมัติส่วนนี้เราก็เลยคิดว่าจะต้องหาอาจารย์หาญานาอาจารย์ไม่รู้จะไปหาที่ไหนพราเราแคบพระวัดบ้านบัดบ้านเราก็เป็นบัดบ้านนอกด้วยเรื่องภระกรรมฐ า, านต่นางๆ น, นี้มันก็มีอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็พอได้ยินกิตสักของท่านอยู่แต่ท่านก็ไปในเช่นหลวงปู่พระมหาธนิษฐ์ปัญญาปุสโตนีประเดี๋ยวทำข้าประโยชน์ ดลบประโยคก้าวแล้วมอบพัดท่านแจกกรมการศาสนาแล้วเพท่านเดินทุ่งลงไปทั่วประเทศแล้วก็เพียงแค่ยกให้ท่านเป็นฮีโร่ของเรานะคือท่านก็มาอยู่กับเราแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยก็จะหายยังไงพอหลังจากที่คือการที่เราเข้ามาในจุดนี้มันมันไม่ได้เข้ามาตามปกติวันนี้พูดให้โยมฟังเล่เลนๆนะไม่ใช่ได้อวดตัวเองอะไรแต่ว่า พูดให้กันฟังถึงประสบการณ์ที่มันผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาสู่นี้มันมาอย่างไงอาตมาก็อย่าระลึกคืนไปพอที่จะระลึกได้นะในการเข้ามาในจุดนี้ทําไมพูดถึงเฉพาะยายทําไมพูดถึงเฉพาะโยมพ่อโยมย่าแต่แม่เป็นไหนนะทําไมไม่เห็นป่าลูกถึงแม่เลยก็คือโยมแม่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เราได้เข้ามาบวชคือ ต่มาไปเจอปัญหาทีเ่เป็นปัญหาใหญ่หลวงมากในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุยี่สิบสี่อายุ 24, ายี่สิบปีเนี่ยเราไปเจอกับการที่เราต้องพัดภาค ก, กับคนลักอย่างอย่างไม่มีวันกลับโยมแม่ท่านป่วยอยุดป่วยอยู่สิบ ว, วันเราก็มีโอกาสได้ดูแลทั้งสิบวันเดียก ว, ว่าท่านตายขามือเราก็ว่าได้พอได้อยากที่โยมแม่ตายนี้ มันรับไม่ได้ชีวิตนี้ไม่รู้มันยังไงมันมันมันที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักฟังเทศฟังธรรมอะไรหรอกปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ขณะนั้นรู้สึกว่ามันนั่นเสียใจเสียใจก็คือเสียใจนะแต่มันเสียใจมากแล้วมันไม่มีทางที่จะลดหย่อนลงเลยมันมีแต่เพิ่มเพิ่มเพ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันมันมา เกิดตัดสินใจขึ้นมาว่าชีวิตในคละวาสนี่คงจะไม่เหมาะกับเราตอนนัน้นคือมันทุกข์มากในเมื่อมันจมอยู่ความทุกข์มากมันก็เลยคิดปไปในแง่บางอย่างที่มันเป็นเรื่องของสัยธรรมความคิดเรื่องของคนหนุ่มอายุยี่สิบปีจะพึงคิดเรื่องนั้นมันไม่มีเลยมันมีแต่เรื่องคิดตอบย้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นไวในขณะนั้นนะ่ะตอนนี้แม่ตายเราก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วต่อไปเกิดบุคคลที่เรารักอยู่ขงข้างล่ะ พ่อยายญาต <im> <mouth fui course Hayır>? ิพี่น้องที่เรารักนะเกิดคนเหล่านี้ตายไปจะว่ายังไงหรือเราปล่อยตัวเองให้ไปมีครอบครัวไปมีมีเมียเกิดันหนึ่งเกิดเราตายไปนี่ใครจะมาเลี้ยงลูกเราสลัพพัดอย่างมันคิดไปขณะที่มันยังไม่เกิดสุดท้ายแล้วก็เลยมาพิจารณาว่าชีวิตคารวาสนี้คงจะไม่เหมาะสาหรับชีวิตเรา วันหนึ่งตมาได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังเทศคือพอหลังจากที่เราทุกข์แล้วเนี่ยหนังสือธรรมะที่ไม่เคยซื้ออา emor, ่านก็ซื้ออาา่านจากการที่เราเคยมีความไพเราะฟังเพลงฟังเพลงไปเลาะอะไรไพเราะเนมันกลับไม่พวกนั้นมันจืดไปหมดนะมันจืดมันเชื่อดไปหมดมันไม่มีรสมันไม่ีชาติ overseas. มันแต่ก่อนแต่การได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันมันเริ่มสนใจในเรื่องคําพูดเหล่านี้ ซึ่งก่อนหน้า น, นี้เราก็ไม่เคยไปสนใจอะไรมากได้ฟังเทศล้มปุกพุทธสาตะบ้างได้ฟังเทศของแต่ก่อนนี้พระอาจารย์สมชาตินะธรรมโชโตศูนย์ปฏิบัติธรรมเสียงธรรมสองขีตเราได้ฟังท่านในขณะนั้นโอ้ท่านพูดท่านพูดดีท่านพูดเรื่องการทุดดง่งโถเรื่องการปฏิบัติธรรมโอ้รู้สึกว่ามันมันมันเป็นแรงดึงดูดแล้วก็เป็นตัวคลายคลายความทุกข์เราไปได้ระดับหนึ่งวันหนึ่งเราฟังเทศมีคํานึงที่มันเกิดสะดุดใจ ขณะที่เราทุกข์อยู่นี้นะท่านบอกว่าจงสแสวงห้าประโยชน์จากสิ่งที่ท่านสูญเสียคำนี้แหละมันสะดุดใจจงสแสวงห้าประโยชน์จากสิ่งที่ท่านสูญเสียพอพอคำนี้มันผ่านหูเราเข้ามานี่ยมันเกิดน้อมเข้ามาพิจารณาถึงตัวเองกับเหตุการณ์ที่อยู่เกิดอยู่ใน เ, เฉพาะนั้นเปนยังไงเราทุกข์จนนอนไม่หลับกลางคืนนี่ก็นอนไม่หลับ กลางวันนี่เขาเครียดน้ำหนักลดท้องเสียตอนนี้ทุกมากนะบางคืนนอนไม่ลอนคิดเรื่องเดียวเนี่ยตอนเช้าตื่นมาก็ต้องรีบทําอาหารรีบไปใส่บาตกลับมาก็มาทํางานอะไรบ้างมันก็ยังเครียดอยู่มันเพลินไปกับงานบ้างแต่พอมันเผลอนอย่างานั้นอะไรมันก็กลับมาสู่กับความเครียดความวิตกกังวลเราอีกเทํายังไงน้ําหนักก็ลดทุกวนันทุกวันท้องเสียมันกับคนกินอาหารสาแดงเนลย ถ้าเป็นย่งีม้มคงเก็บไม่รอดอ่ะถล่มลงทุกวันเลยขณะที่เราทุกอยู่คนเดียวนี้ญาติพี่น้องก็อยู่ต่างหากเราได้ขัดแยวกันเราก็ต้องแสดงอาการหนึ่งก็คืออาการที่ให้ญาติพี่น้องรีพึ่งพาเหมือนกับมันกับหลอกญาติพี่น้องนะหลอกว่าเรามีความเข้มแข็งหลอกเราสามารถที่จะปลอบโยนพี่น้องได้กับการสูญเสียของโยมแม่นีในขณะนั้ น, น, น, นแต่จินแล้วมันเราแทบจะไม่ไหว พอหลังจากได้ยินคํานี้แหละเอ๊มาคิดทบทวนให้เราสแสวงผลประโยชน์จากสิ่งที่เราสูญเสียประโยชน์นี่คืออะไรประโยชน์คนตายไปแล้วจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์มันก็เลยแวบ๊บมาตินี้แวบเรื่องเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการส่งบุญกุศลให้กับคนที่ตายไปแล้วนะแต่ก่อนเวลาคนตายเราก็ไปใส่บาตรไปทําบุญกรวดน้ำพุธิต์ไมให้แก่ท่านแต่ท่านวักถ้า ถ้าการได้บวชจะเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้มากบวชแล้วพ่อแม่ก็ได้อาศัยชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คำพูดนี้เป็นคำพูดที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ซึ้งใจอะไรมากกับคำพูดพวกนี้แต่พอมาเกิดกับกับเราแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้มีวิธีเดียวที่จะพอให้ความทุกข์คลายก็เลยคิดเรื่องบวชเชื่อไหมพอคิดเรื่องว่าจะบวชเนี่ยมันเหมือนกับเราแแบกของหนักตั้งสองบาท มันแบกมาตลอดมันดักมาตลอดทางนะเฮ้ทำยงไงมันมันจะหายหนักเราก็ไม่รู้จจวิธีโยนเนี่ยมันก็แบกโยนบนบักบนบ่าเราหนักบนบ่าเรานี่แหละพอหลังจากวันเราตัดสินใจว่าจะบวชให้โยมแม่แล้วเนะ่ยมันเบาเลยมันเบาเป็นเบาเบาเบาใจเกิดความเหมือนกับมันเราแบกภาระอะไรมาตั้งนานเนี่ยมันอกับมันสลัดออกตั้งแต่วันนั้นจิตเราเป็นกุศลเลยทีนี้ มันความทุกข์ที่เราแบกมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันมันมันคลายออกบางทีมันแทบจะเรียกว่าหายก็ได้พอคิดเรื่องการบวชจิตบุญกุศลเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งเดียวคือคิดว่าการบวชมันคงจะเป็นวิธีการเดียวที่พอจะส่งบุญกุศลจากการที่เราทําให้แก่โยมแม่ได้มันก็มันก็ดีอ่ะจากนั้นมต้นมาก็คือมันก็เลยคิดเรื่องนี้มาตลอด แล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้มาตลอดพยายัางตาร้องตัวอยู่ระยะหนึ่งก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาบวชนั่นแหละก็คือพอได้เข้ามาบวชแล้วคือเราไมา่ได้บวชตามประเพณีแตมาบวชตามประเพณีคือบวชเมื่อปีสามเกียดปีสามเกียดบวชด้พ่อแม่บวชกับเพื่อนท้สิบสองสิบสามรูปนะบวชอยู่พรรษาหนึ่งบวชเป็นพันษก็ศึกเพราะว่าตอนนั้นเราไปไปจับทหารเนอะ เราถูกทพทพสองทบหนึ่งนะนะไปถูกผัดสองก็เลยมีโอกาสได้บวชให้แม่พรรษาหนึ่งบวชแล้วก็ศึกศึกไปแล้วก็ยังไม่ได้ปลดทหารได้ซ้ําไปมั้แม่มาตายพอหลังจากที่เราบวดจากทหารสองปีเนี่ยบวดมาไปแล้วก็เข้ามาบวชเลยเข้าบวชก็มาเริ่มต้นเราจริงๆว่าเราไม่ใช่บวชตามประเพณีถ้าเป็นการบวชเพื่อความสนุกสนานเราบวชมาแล้วมันแทบไม่ได้อะไรเลยจากการบวชแบบนั้น พอมาบวชเที่ยวที่สองนี้บวชเงียบมากแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการบวชนั้นพอบวชแล้วเนี่ยมันมีสิ่งก็คือเน้นเรื่องกรรมาฐานมีตอนหนึ่งตอนที่โยมแม่เสียโยมแม่เสียนี่ขณะที่ตั้งศพอยู่นี่เราบวชเนนจูมโยมแม่มาเผาเลยนะบวชเสร็จเราก็ไม่ได้ศึกนะไม่ได้ศึกแล้วก็บวชต่ออีกสักสี่ห้าวันเขามีการสวดจุดสามวัน วันที่สี่ก็มีการตักบาตรแต่เราไม่ได้ศึกพร้อมกับมันเข้าบททั่วๆไปแล้วก็อาสยุวัดพอตอนบ่ายก็มาเดินยก ม, มกลมยมกลมอยู่ที่ที่สาราบวิมกุศลที่ข้างเมรุพ่อศพนะพอตอนค่ำก็ทําวัดสวดมนต์แล้วก็ขึ้นไปนั่งกับพระซึ่งเราก็มีคว า, ามพุนเคยบ้างใช่ไหมเพราะเราเราศึกไปแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เราก็มาเป็นเนียนจูงศพแม่ก็ยังมีคว า, ามรู้จักกับพระรู้จักสถานที่ดี เราโคจรรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองบ้างในความเป็นเนนตอนนั้นคือพอหลังจากที่เอได้ต้นทางในการเริ่มต้นในเรื่องนี้ใหม่เนี่ยพอกับเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งเราจึงเห็นว่าสภาพที่เราอยู่ขณะนั้นคงไม่ไมใช่คําตอบที่จะให้คําตอบแก่เราได้เพราะเราต้องการที่จะทําอะไรที่มันยิ่งยิ่งไปกว่านั้นที่เป็นเรื่ององการบวช อยู่ที่นั่นก็เลยไม่ใช่คําตอบให้แก่เราเราก็เลยเอ๊ะทํายังไงนะั้เราจรึงที่มีโอกาสได้ได้รู้จักพระอุปัชาหรืออาจารย์ที่พอจะให้คําตอบในเรื่องนี้ตมาทําหนึ่งก็คือว่าทวัดเช้าเย็นเนี่ยจะไม่ได้หยุดะซึ่งอยู่วัดบ้านทําทให้สนใจอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำดูของเราคุณเดียวนี้ห้องนั่นแหละตอนเย็นก็ทําวัดเย็นก่อนนอนตอนเช้าก็ตื่นมาก็ประมาณตีสี่เราก็ตื่นแล้วตื่นแล้วก็สวดมนต์สมบูรณ์เสร็จทวัต เช้าเสียก็ามาจัดที่ฉันอยู่ที่สลาให้แก่เพื่อนพระด้วยกันอยู่ตอนนั้นนะแกติยานเสียก็ออกพินดาบากลับจากพินดาบามาก็ฉันเสียก็ไปอ่านหนังสือไปทวนมนบ้างแล้วก็หาองมุมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวปฏิบัติอยู่อย่างนั้นพอทําอยู่แล้วมันปรากฏว่ามันเหมือนกับมันไอมันไม่ได้คําตอบจากการที่ทำเพราะเราทําแบบไม่มีครูบาอาจารย์ ทำแบบบางทีอุปชาทั้งคงจะสงสารนั่นกันเพราะว่าบางทีท่านก็หาโอกาสที่จะมาพาเราทํำนั่นกันแต่มันก็ยังจหลักอะไรไม่ได้จนแต่ก็มีอยู่ช่วงที่ไม่เคยขาดก็คือว่าหลังจากที่เราทํากิจให้เป็นกุศลเนี่ยหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วแล้วก็มาสวมดมนต์แผ่เมตตาเสร็จก็ตั้งใจที่ฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ ที่ท่านพอจะแนะนําในเรื่องนี้แก่เราได้นะ่อันนี้คือการตั้งความหวังในขณะนั้นคือใครก็ได้ที่พอจะเป็นอาจารย์แก่เราได้ในเรื่องเนี้ยพอหลังจากที่เราบําเพ็ญกิตที่เป็นเรื่องส่วนตัวเสร็จก็จะอธิฐานใจก็จนเมื่อพรรษาหนึ่งผ่านไปอยู่ที่วัดบ้านพรอิญพรอิญวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปไปกิจในมณฑลต่างอาเภอหลังจากที่ เสร็จกิจที่หมดนั่นแล้วเนี่ยมีคนพูดให้ฟังว่าเนี่วัดข้างๆเนี่ยท่านกําลังจัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวาตกรรมมีพระนิโยมปฏิบัติธรรมเยอะอยู่ไอความที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยเออเห็นว่าท่านปฏิบัติธรรมก็เลยอยากจะไปดูไปดูไปแค่ไปดูเฉยๆนะไปดูไปทำบุญอะไรก็จะกลับพอไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่า หลวงพ่อที่วัดนั้นท่านมาจากเมริกาท่านกลับมาจากอเมริกาแล้วก็มาฟื้นฟูมาจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านท่านน่ะนะทั้งชื่อว่าหลวงพ่อมาหาไหลท่านวาดนะเราก็ท่านจบประโยคน์เก้าเรากลับมาจากอเมริกามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะไปหาท่านสิตอนตอนเช้าก็เลยไปพอไปลราทั้งกลับมาจากบิดาบาดพอดีหลวงพ่อทุกวันเป็น หลวงพ่อเจ้าคุณเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อมหาลัยเนี่ยเห็นเล่าเนี่ท่านท่านชวนเลยนะเออมาก็ดีแล้วถ้ามาก็ไม่ต้องกลับหรอกปฏิบัติทำด้วยกันไม่รู้จักท่านมาก่อนนะเราแค่ินได้ยินกิติศัพท์ท่านเรารู้จากท่านเพราะคนอื่นพูดให้ฟังแต่ท่านไม่รู้จักเรามากว่าหน้านี้หรอกเพราะเราเป็นพระแค่พรรษาเดียวเองพอเพราะว่าหลวงพ่อผมมาทําบุญท่านบอกเออทําบุญก็ดีแล้วแต่ว่าอยู่ปฏิบัติธรรมท่านดูแค่นั้นแหละ สังคาติก็มาเดียวไปบาทก็มาเดียวไปท่านพาเข้าให้พระเข้าไปหาที่พักไปกลางกดอยู่กลางป่านน่นโอ้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ไปไปอยู่ในที่ที่เราคิดว่าเราอยากแก่อยู่ป่าลกๆเป็นป่าธรรมชาตินะป่าเพก็กป่ากรุงป่าเลยแถวบ้านมันมันไม่ใช่โล่งเตียนะมันลกแต่เราก็สามารถที่จะไปเคลียบพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่นอนได้ ตอนนั้นเป็นเดือนเดือนมกรากผมเขาจะมีฟางข้าวนะเขาตีข้าวเสร็จแล้วเข้าฟางข้าวมาปูก่อนทางอีสานนะมาปูแล้วก็ไปนอนออุ่นนะท่านพาปีเดียงก็พาเราไปได้กรดได้เสือพื้นหนึ่งหมอนใบหนึ่งแล้วก็เดินตามไปไปพักขณะที่เราไปเตรียมพื้นที่ได้แขวนกดโอ้มันชอบนะคือเราอยากทำมานานแล้วแต่ไม่มีใครพาเราทําถ้าเราอยู่อยู่ที่วัดบ้านเนี่ยเราทําอันนี้มันก็ทําไม่ได้เลย แต่พอมาอยู่สังคมมีผ้าหลายรูปแล้วก็ท่านก็อยู่ป่าด้วยกันอยู่ข้างป่าปักกดอยู่ข้างกันเนี่ยมีกดคนละหลงังแล้วก็ใช้ฟางภูเสือปูเราชอบตอนนั้นะพอลงจากที่ผ้าเสร็จกลับมามาตี่พักท่านว่าให้เป็นให้พี่เลี้ยงแนะนําการปฏิบัติธรรมตอนนั้นเอกไม่ไม่รู้เรื่องในพวกนี้นะไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกเพียงแค่ว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จักว่าท่านปฏิบัติยังไงพอมาแล้วนี่ เห็นพระที่เลี้ยงที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยมีความบัตทับใจก็คือว่าเห็นท่านมีความเอาใจใส่ต่อผู้ปฏิบัติธรรมจำจิตตาคือหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคำเขียนท่านจ่าผมผ้าเฉลียงไหลายจีวรนะแล้วก็ใชผ้าอาบน้ำฝนท่านพาดบ่าเดินยกมุ่อยู่ลานทํากับพระมีพระอยู่ตรงนั้นก็ทั้งพาพระเดินกลมกลับไปกลับมาก็สอนท่านไปด้วยออ้ทําไม ทำไมท่านมีความรู้สึกท่านท่านมีความใกล้คิดกับพระระหว่างพระที่ไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ที่เป็นผู้สอนมีความใกล้คิดกันมีการเข้าถึงกันไม่ห่างเหินกันปฏิบัติประกบันอยู่ตลอดเลยนะไปเห็นภานโอ้เกิดความประทับใจลึกๆแล้วเห็นครั้งแรกเนี่ทีนี้พอมานั่งเห็นท่านสร้างอย่างเอ๊ะทาทํานทำยังไงพอดีมันมันมีไอ ภาพที่เป็นภาพสื่อวิธีสายการเจ ร, เจริญสตินแล้วก็นั่งทํำมันเล่นอยู่ตอนนี้ยังไม่มีพี่เลี้ยงมาแนะนํำนะแต่พอเห็นท่านยกมือแล้วเนี่ยอาตมาชุกดีตรงที่ว่ามันคือเรามันทุกข์นะมันทุกข์พอมันทุกข์แล้วเนี่ย ม, มันจะ้ า, าทางที่ที่ดับทุกข์ตัวเองคือลืมผู้ได้ฟังว่าตอนที่อยู่วัดบ้านหนึ่งพรรษาเนี่ยเดินต้นที่เราได้บวชถือว่าเราโชคดีมากที่สุดที่ได้บวช มีความภาคใจภาคภูมิใจมากที่สุดขนาดตอนตอ น, น, นบวชแค่หนึ่งหนึ่งเดือนอะตมาสัมผัสกับอารมณ์อารมณ์หนึ่งเขาเรียกว่าสุขจากการบรรพชาเราเคยอ่านพุทธประวัติพระเจ้าหลังจากที่ตัสรู้เสร็จเนี่ยท่านเสวยวิมุติสุขรอบต้นมะศีมาโปแห่งละเกตวันเนี่ยท่านเสวยสุขจากการที่ได้บรรพชาที่ได้ตัดสู้แล้วนี่นะตอนนั้น ตอนเช้าฉันเข้าวเสร็จเช็ดบ่าเสร็จขาดเอาบ่าไปพึ่งแดดอยู่นี่กำลังนั่งรอรอบาดแห้งมันนั่งยนมันเกิดปีติขึ้นในใจเนี่ยขึ้นในใจอุย้ยทำไมมันสุก ข, ขนาดนี้เกิดความสุขตอนนั้นเราไม่ไม่รู้เรื่องกรรมฐ า, านเะนี่เป็นพระวัดบ้านเนยแต่มันสัมผัสโดยบังเอิญนะเกิดความเบาเนื้อเบาตัวกับความหิ่วใจขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีพระยง ข, ข้างมีของทําไมผมเป็นแบบนี้ มีพ่อใหญ่คนท่านเป็นจานเก่าเป็นกำนันเก่าท่านชอบมามาจังหันแล้วก็ชอบคุยกับพระใหม่นะตั้งซื้โอกาสที่มาจังหันแล้วก็คุยกับพระใหม่เพราะว่าท่านเป็นเคยเป็นนักบวชเก่าท่านก็เอาความรู้ที่ท่านมีเนี่ยนําพระใหม่ท่นเป็นกำนันเก่าเอ๊พ่อใหญ่กำนันทําไมอาตมานี่นเป็นไงมอมอันเบาเหนือ้อเบาตัวมันสบายใจไม่บวกระกือของใครยังไงโอ้เจ้าจะได้บวชโดนละวานะเราจะได้บวชโดนเราสัมผัสความปีติตั้งแต่ใหม่ แต่พออยู่นานๆเข้าทีนี้โดยความที่กําลังการภาวนา ม, มันอ่อนสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไปไปทําอะไรที่มันไม่ใช่กับความตั้งใจเบื้องต้นที่เราเคยตั้งใจเข้ามาบวช น, นะคืออยู่ใกล้บ้านเนาะเป็นวัดใกล้บ้านกําแพงติดบ้านชาวบ้านทอดไข่เราก็ได้กินเขาลากวัวเราก็ได้ได้ยินเสียงได้กินโมดอยู่วัดบ้านนะ คืออะไรมันเข้ามากระทบทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ผ้าใหม่อดไม่ค่อยได้สิอดไม่ค่อยได้เริ่มทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันนะบางทีเรารู้สึกว่าฝนฝืนนะเช่ น, านบางวันผ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอาวันนี้เราจะมีรายการนะอันนี้ปวไดไอ้ฟังจิตมันเศร้าหมองเพราะอะไรวันนี้เราจะมีรายการนะรายการในก้อยเดิกผนว่ารายการก้อยเดิก ก็พวกข้อใหญ่นั่นแหละที่ชอบเป็นจานเก่าให้ข้อมูลแเจ็บผ้าไหมมอมหลังเทียงเคลืนไปเป็นมือไม้แล้วกินกินเข่าไดี๋ยววิพวิพศีลบันว่าเนี่ยเราก็ไม่มีอาจารย์สอนนักธรรมใช่ไหมไม่มีคนแนะนําเนี่ยพอมีคนที่เราเชื่อถือได้เพราะอย่างนี้เป็นทายกในบ้านคนนับถือทั้งหมู่บ้านพอไม่ให้ข้อมูลแบบเจ็บผ้าไหม่ผ้าไหม่ก็เข้าใจสิรายการจึงมีเกือบทุกวันนะ พอลังจากประมาณสักสี่ห้าทุ่มเอาไปแล้วไอ้ข้างๆวัดที่เป็นเสียงน้อยบ้างทิศบ้านที่มันสึกไปเนี่ยอา้าวลงพี่พุละยีสิบบาทพุทละสามสิบบาทนะเสร็จแล้วก็รวบรวมกันเป็น 102, ร้อยสองร้อปซื้อก้อยเดิกมากอะเขาก็ไปซื้อเนื้อวัวมาเนี่ยอา้าวดูเวลาเวลากำลังทุ่มเสร็จเอาแล้วหลวลงพี่ใหม่ทางลาบทางก้อยทางตกเศรษฐาพันอย่างเอากันเนีเราก็คิดว่ามันไม่หิดเนาะก็เอากระเพวกกันแล้วอาตมามคนตำหมูเข้าอร่อยทีเนี้ย ก่อนหน้านี้เราเราเคยวางแผนตอนที่เราวาัดเราะเราจะเปิดร้านข้าวเหนียวที่กรุงเทพเลยนะแต่ก่อนเนี่ยไปมีครอบครัวเราเก็บไปเปิดร้านลาบให้แฟนเราปิ้งไก่ย่างตำข้าวเหนียวเนี่ยตำไม่ไอ้ส้มตำเราวางแผนมันก็เลยทำข้าวอร่อยมันแต่เป็นเป็นโยมแล้วบางวันเนี่ยพอหลังจากเราทำวัดเย็นเสร็จเนี่ยอา้าวหัวค่ำอา้าวคุณไปหาบกหัวเด้เออ้าวคุณไปหาพ่อจระเนียคุณไปตำก๋วขว้า แล้วทัดยานแปลงหน้านนะที่กันนะเราก็เอาเพื่อนสิทีนี้บางวันเรากำลังอะไรทำอาหารก่อนเนี่ยพวกคละว่าก็มาเล่นเนี่ยมอมเดี๋ยวยังกินแกงเนี่ยคําถามเนี่ยมอมเดี๋ยวยังกินแกล้งมาสัน่นอุปบด้กินแรงกิดวัดนแรกยังเถียงกันอยู่ดีกูกินรอบเด็กมันทําบ่อยๆเข้ากิตมันซ่อหมองบางทีนะโทษนะอาตมามันชอบทําอาหารเนาะชอบทำอาหารโดยเฉพาะเรื่องลาบนลยนะเรื่องลาบดิบอีสานเขากินเก่งจริงนะ ขนาดที่เราทําให้เพื่อนกินเนี่ยเราใส่ผ้าในสีนี้เนาะเรานั่งทําอาหารเนี่ยโอ้เมื่อขันลวงพี่ไม่ขันขันลาบเลยนะเมื่อแดงแกวยัยนี่คือเป็นสีกูเนี่ยกูก็ลงขนาดนี้วะหลวงพ่อก็ชอบแมื่เราทำเนี่ยถ้ามือนในเจ้าเป็นพ่อครัวเนี่ยคือเจี่ยงหมอลนะนะถ้ากินบลนะเปลือดล่ะทาบ่อยๆเข้ามันเศร้าหมองกิดมันเศร้าหมองเครียดลงทุกวันเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ ที่เกียรทําวัดไม่อยากไปบินทบาทเวลาไปบินทบาตทในภาพเก่เาๆที่เราเคยทําให้ดีตอนตอนที่เรากลางคืนเนี่ยเมื่อคืนเราเคยกินแล้วตอนตอนที่มันอยากมันก็อยากนะแต่พอกินแล้วเนี่ยมันเกือบเศร้ามองเศร้ามองตามหลังนะกินลาบกินก๋อยกินอะไรกันนี่แหละหลังหกทุ่มแล้วนี่ยนะตอนเช้านี่มันก็ไม่อยากขึ้นทําวัดไม่อยากบินทบาทแล้วทีนี้ ทำบ่อยๆเข้ามันกลายเป็นความเศร้าหมองนี่แหละที่ว่ามันเริ่มทุกข์อ่ะพอเศร้าหมองมาเข้านั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านเวลามาสวดมนต์เนี่ยไม่อยากดูหน้าพระพุทธรูปนะดูแล้วมันมีสิ่งคือมันมันมันรับไม่ได้กับตัวเองที่ทำมันไม่ใช่ผิดศีลผิดธรรมอะไรเยอะนะถ้านําเรื่องอาบัตเป็นอาบัตบาจิตีพระนี่นะฉันเนื้อดิบเป็นอาบัตทุกขกดฉันเข้าในวรารวิการเป็นบาจิตีเป็นบาจิตีน่ะ เพราะนั้นปัญจีจึงว่าอาบัติที่ทำยังกุศลให้ตกอบัติปัญจิตีคือยังกุศลตกคือจิตที่เป็นกุศลมันจะตกไปมันจะตกไปแล้วนำไปสู่ความเศร้าหมองก็จมาทําบ่อยๆเข้าจิตเป็นเศร้าหมองในระหว่างที่มันออกพรรษาแล้วโอ้ยมันไม่ได้แล้วเราเป็นแบบนี้ไม่ได้นะตัดสินใจไปเข้าบริวาสกรรมไปเข้าปริวาสเออดีหน่อยไปเข้าปริวาทไปเห็นพระเข้าปริวาส ต, ตอนนั้นไปเข้าที่โคร้าชเป็นพระหกร้อย โยมนี่เป็นเกือบพันเข้าบริวารโอ้เราเห็นภาพพระเยอะๆเห็นภาพพระเยอะๆเห็นสังคมสงฆ์ที่เรามองหน้ามองหลังมีแต่พระเต็ไมไปหมดเราก็ไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเออไปฟังธรรมไปฟังธรรมไปได้นั่งปฏิบัติธรรมกับเพื่อนดีหน่อยพอได้ดึงกอบคู่กุศลขึ้นมาได้บ้างที่มันตกไปเกือบตายเดือนนะซึ่งตอนที่มันตกลงนู้ดไม่มีทางแก้คิดหนักๆเข้านอนไม่หลับทํำยังไงทีนี้ นั่นแหละพอหลังจากที่ไปเข้าปฏิวาติบ้างแล้วเนี่ยจึงมีโอกาสได้ไปไปเจอหลวงพ่อมหาไหลเ่ยไปเจอแล้วที น, นี้ไอ้ความที่ว่าเราทุกข์ก็คือว่าปัญหานี้แหละกิจเรามันมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วยิ่งเราเป็นคนติดดีด้วยสิพอติดดีพอมันเกิดความไม่ดีขึ้นเหมือนเราก็รับกับความดีที่ตัวเองพอไม่ดีมันมันมันรับไม่ได้พอไปเห็นวิธีการนั้นก็คว่าเอ้ยเราทุกข์มาก ม, มากแล้วเนี่ยเราอยากออกจากความคิดอยากหายอยากความฟุ้งซ่าน อยากไม่อยากเครียดนี่นะก็เลยมายกมือสร้างยาวนมันไม่ปฏิเสธในวิธีการอะไรก็ได้ใครก็ได้ที่พอจะเป็นเพื่อนเราในเรื่องนี้เวลามีปัญหามาเราพอจะเป็นที่ปรึกษาได้วัด น, นั้นก็เลยได้ได้ปฏิบัติอยู่ที่ที่วัดปา่าหลงคูกับหลวงพ่อมาไหลได้อยู่กับท่านดูสามวันสามวันที่สี่ก็เลิกงานเลิกงานจบก็มีความประทับใจบ้าง ประทับใจในกูบาจารย์หลายรูปในหลวงพ่อคำเฉียนยิ่งหลวงพ่อมหาหลายโอ้ยยิ่งทําให้เราเนี่ยคล้ายๆเป็นผู้จุดประกายในเบื้องต้นท่านเป็นพระประเดิยธรรมเก้าประโยคแล้วก็มาเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยตอนนั้นเราก็อยากเรียนบาลีเราอยากเป็นมหาประเรินธรรมพอหลวงพ่ อ, อมาธนิษปัญญาประสโิฐตัปเปริยธรรมก้าประโยคก็ยังอยู่ในเป็ น, เ ป, นเป็นฮีโร่ประจําใจเราอยู่ว่าเราจะต้องเรียนบาลีให้ได้เรียนก็ ต้องไปถึงจุดที่หลวงพ่อเข้าถึงได้คิดว่าระดับเราเนี่ยคงพอได้อยู่เรื่องบาลีนะขณะนั้นคิดยิ่งมาได้ฟังหลวงพ่อมาหลายท่านพูดแนวทางการศึกษาในการเรียนบาลีแล้วก็ออกมาปฏิบัติรรมฟังเทศวันนั้นรู้สึกว่าดีขึ้นจิตเราเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วยิ่งอะไรยิ่งได้ฟังมันเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดเกิดอยากอยากไปทําต่อเรื่อยๆนะคือสามสี่วันเนี่ย เรื่องสร้างเยาวะเราไม่เคยเถียงใครสร้างเยาวะเนี่ยทาตามรูปภาพที่ท่านแนะนําไม่มีใครมาแนะนําเป็นเรื่องเป็นราวหรอกมันกะตู้วันเนี่ยคือในเมื่อเราคิดว่าเรามีโรคประจําตัวนละต้องรีบรักษาจะยาอะไรก็ได้ที่มันกินแล้วจะทํ า, าให้โรคเราหายเนี่ยเราก็รีบทําไม่ได้อารมณ์ภาวนาแต่รู้สึกว่าสร้างเยาวะเป็นเดินยกรมเป็นสามวันในครั้งแรกนะสามวันพอหลังจากเสร็จจากนั้นสามวันแล้ว กลับมาที่วัดบ้านมันก็มีการทําระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่แบบเก่าคือปร ะ, ประสมบะเสกันพุโทโธบ้างหนอบ้างเวลาไปปฏิบัติเพราเราทําแบบไม่มีครูบาอาจารย์เอาหนังสือมาอ่านหนังสือของทนิตอยู่โพนะที่เขาอธิบายเรื่องน้อยนะเราก็อ่านบางทีก็ดูประวัติหลวงตามหาบัวบ้างประวัติหลว ง, งปู่เทสบ้างแล้วก็นําวิธีการต่างมามาทําแบบปนเปกัน เมื่อวันหนึ่งมันมันเกิดง่วงขนาดที่ไปเดินยมกลมยุนเราเวลานั่งนั่งแบบหนอเวลาเดินใช้พุโทโธผสมกันนะแล้ววันหนึ่งมันเกิดอาการง่วงตอนภาคบ่ายตั้งจากคันเพลินเสร็จไปเดินที่หอพักศพเนะเอ๊ง่วงแกไม่หายพุทโธก็ไม่หายนอก็ไม่หา ย, หายเผอิญว่าไอ้สติช่วงที่มันระลึกมาถึงประสบการณ์สี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยทําเนี่ย ี่เราไปอยู่ที่วัดปา่าของครูเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องเดินหนอก็ได้นี่ไม่ต้องเป็นหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะสี่จังหวะหจังหวะหจังหวะก็ได้นี่ท่านจะให้เราเดินเดือนให้รู้สึกเฉยๆทาไมเราไม่นมํามาใช้ละ่ะคอคิดได้แค่นั้นแหละก็เลยสลัดทิ้งจากเดินแบบหนอมาเดินแบบธรรมดามันง่วงก็เล้วเดินเร็วขึ้นไม่ต้องมีคําบริกรรมกํากับในการที่เราเดินปรากฏว่ามันแก้ ง, ง่วงได้บายนั้นแก้ ง, ง่วง ง่วงที่เคยเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราเดินเอาเร็วขึ้นเดินแบบที่เราเดินกันนี่แหละมันแจ้กันการที่จิตเราต้องไปตกคนนี้เยาวรได้หลังจากวันนั้นต้นมามั น, ม, นมันทิ้งเลยทิ้งแบบคมั่นใจแล้วคือมันเริ่มเห็นแล้วว่าที่เราไปฝึกฝนมาเนี่ยพอนํามาใช้จริงจริงมันแก้ปัญหาตัวเองได้เริ่มกล้านั่งสร้างเยาวะคนเดียวอะไรคนเดียวพอหลังจากช่วงนั้นผ่านไปก่ อ, อนที่จะเลิกงานท่านบอกว่า ประมาณวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์จะมีต่อที่อำเภอบระบืออำเภอบระบือคือเป็นอำเภออยู่ข้าอมอำเภอหน้าเชื่อกบ้าเราต้องไปให้ได้างานนี้เพราะมีอะไรหลายอย่างที่เราประทับใจอยา ก, กไปทําต่อตั้งใจจะไปทีนี้มันก็มีมานะไม่ใช่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องง่ายนะอาตมาอยู่ที่วัดบ้านเนี่ยหนึ่งแล้วมันเป็นที่โปรดปรานเพระอุบุชาเราบวชครั้งแรกเนี่ย หลวงพ่อท่านใช้เราได้ทุกเรื่องเป็นคู่สวดนาคได้เราใช้เวลาอยู่ในการสวดมนต์มันสวดเร็วกว่าเพื่อนมันได้กว่าเพื่อนคือเป็นมือสองแก่หลวงพ่อเลยนะวันในท่านหลวงพ่อท่านไม่ได้ไปก็ให้เราไปนําสวดบางทีเราไปนั่งหัวแถวพระลงตาลงปู่ที่มียุคความสามากว่าท่านก็ยกให้เราไปนั่งหัวแถวเพราะมันสวดมนต์ได้หลวงพ่อบูชาท่านจึงหวังมากว่าจะให้เราเป็นผู้สืบท อ, อดวัดต่ออย่าท่าน หลังจ า, ากที่ท่านแก่แล้วด้วยนะท่านหวังมากหวังตัวเราเราก็รู้จักแต่เราก็ไม่เคยเปิดเผยว่าเราคิดยังไงเพียงแค่ว่าก็บวชอยู่กับบ้านซักพรรษานึงคิดว่าพรรษาผําันไปก็จะออกจากวัดบ้านเลยแต่ก็ไม่เคยบอกท่านพอหลังจากที่เามาเจอวิธีการเจริญสติแบบเนี้ยไปขอท่านได้ขอหลวงพ่อผมจะขอญาตหลวงพ่อปฏิบัติธรรมท่านห้ามเรานะท่านขอให้เราอยู่เราก็ยังมีเหตุผลว่าเราจะต้องไป จนวันหนึ่งเราไปขอล่าสุดท่านบอกว่าถ้าคุณออกจากวัดนี้ไปเนี่ยคุณกับผมไม่ตัดขาดกันเลยไม่ต้องมานับเนื่องกันไม่ต้องคิดว่าผมมีอุปชาคุณไม่ต้องคิดว่าเรารู้จักกันมาก่อนโอ้คํานี้หนักนะถ้าถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆมันมันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านประกาศในการตัดขาดเลยไม่ต้องนับเนื่องในการเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันลแล้วเราก็อยู่บ้านนั้นด้วยท่านก็อยู่บ้านนั้นด้วยแล้วทางโลกโลกเนี่ย เราก็ทั้งก็เป็นญาติกันด้วยเราก็ทางธรรมท่านก็เป็นอุปชาเราพอท่านใช้คานี้นี่มันแปลตรงที่ว่าเราไม่มีความโกรธไม่มีความโกรธอย่างอื่นเราคิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันต้องไปตามที่เราตั้งใจไว้ให้ได้ยิ่งตอนนี้เรามีโรคประจําตัวเราด้วยโรคประจําจิตเราเนะี่ยเราต้องไปรักษาแล้วเราลพบแล้วว่าจะรักษาด้วยวิธีการอย่างไร ก็แล้วแต่หลวงพ่อจะคิดนะครับแต่ผมก็ไม่สัดจากหลวงพ่อแต่ผมก็ต้องไปอย่างผมนมี้ได้โอ้สะพายบาศสะพายกาลลวงจากวัดมันเหมือนกับมันเป็นการไปเสเถือนใจอุปชาบ้างตั้งหลายปีนะตั้งหลายปีขณะมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยลงไปเยี่ยมท่านท่านก็ยไม่ค่อยพูดกับเขากับเราด้วยนะมาอยู่อยู่ตรงนี้เกียดหกปีไปขอเปิดอบรมที่บ้านเกิด ไปขออนุญาตท่านให้เปิดท่านให้เปิดแต่ท่านไม่ให้เยืมถ้วยนะท่านนายสถานที่ให้ซาลาให้วัดคุณเนะี่ยแต่ว่าพวกถ้วย ว, ว, ว่าดานเราท่านไม่ให้เบิกเลยละ่ะเราก็ไปเยืมจากวัดหลวงพ่อมหาไหลเนี่ยนะเราไปตั้งวัดที่วัดป่าโคกแดงท่านไม่ไปเยี่ยมเลยนะตั้งหลายปียังไปเยี่ยมล่าสุดเนี่ยไปหาเนี่ยไปหาแล้วก็คุณ ผมอยากจะขอจีวอนคุณไปห่มมาหาเราโอเราก็ดีใจนะอุปชามาขอเราเราก็อยู่ตั้งนานทัานกาลังมาหาเราผมจะได้จีวอเนี่ยผมมีจีวอนนี้รับมาผมไม่ชอบสีนี้ผมเห็นคุณใส่สีนี้มันสวยก็เลยจะมาขอเอาจีวอที่ผมได้มามาแลกคุณเฮ้ยใครอยากไปให้แลกเนาะหลวงพ่อไม่ต้องแลกครับผมถวายเลยมีโยมเขาถวายผ้าจีวอนมาใจหนึ่งใหม่ๆมาถวายหลวงพ่อเลยนะ พอถวายเสร็จผมผ้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงสามเดือนมั้งท่านมรณภาพหลวงพ่อนะเราก็ได้ไปจัดการศพท่านตามตามที่ก็ใช้ผ้าที่เราห่มนั่นแหละให้ไปท่านท่านห่มผ้ า, ผ ม, ามีพระอุวชาท่านท่านรักงงเราหงมาสนะท่านไม่อยากให้เราไปแต่เราก็ด้วยด้วยความที่เราทุกข์อ่ะเราต้องไปยมตามไม่ดีนะพอหลังจากออกจากนั้นไปเนี่ยหลวงพ่อจันทา หลวงพ่อยันทาเคยมาอยู่ที่นี่นะแต่ไปรู้สิษหลวงพ่อมาหาเั้่ยแต่สมัยหนมกกรดหลวงพ่อจันทาท่านไปเปิดอบรมที่ อ, อําเภอบระบือเราไปอยู่ที่นั่นอยู่ได้สามวันหลวงพ่อมาหาท่านลงไปนะมีแม่คนหนึ่งเห็นเราไปมีหลวงพ่อม า, าดิเลกท่านจะลงมาจากแพร่มาเป็นพระวิเลี้ยงพาพระปฏิบัติธรรมเอพอเราไปอ่านหนังสือทําวัดเห็นวัดแพร่แสงเทียน หนังสือตำบัตรุ่นเก่าๆนะเลี่ยมหน้าปกสีขาวๆวัดแพร่แสงเทียนแล้วก็มีผ้าอยู่งข้างที่นําทําวัดก็เห็นท่านนําทําวัดดีเวลาพูดต้องก็พูดมีหลักการหน้าฟังนะจานชัยยาอยู่งข้างก็เออองค์หนึ่งเสียงเหี่ยบเสียงผู้หญิงจานกรมกิจในองค์ข้างนะไปอยู่ที่นั่นมันเริ่มสัมผัสกับหมู่สงฆ์ที่มันเริ่มเพิ่มมากขึ้น แล้วเริ่มเห็นคนทั่วไปทั้งพระทั้งโยมเนี่ยใส่ใจในการปฏิบัติมากขึ้นหลวงพ่อทั้งกัดเอาฤๅษะประมาณสักห้าสิบรูปเนี่ยสลาประมาณเท่านี้แหละหลวงพ่อเอาหมดเลยเอาพระก็มารวมสลามาปฏิบัติด้วยกันเดินจงกรมก็เดินพร้อมกันเวลานั่งก็นั่งพร้อมกันท่านพาปฏิบัติหลวงพ่อจะไม่หนีนะนั่งคุมเลยนั่งกลุมทั้งพระเก่าพระใหม่เนี่ยเราก็เป็นพระวัดบ้านเนาะพระวัดบ้าน นั่งอยูท้ายพระบรรษาเดียวนั่งปฏิบัติกับหลวงพ่อทําอยู่สามวันนะทําอยู่สามวันวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นวันเริ่มสิบสองสามสี่ระหว่างสามวันนี่ทําด้วยกันนี่มีบ้างปัญหาเนี่ยง่วงก็มีบ้างอะไรก็มีบ้างแต่แก้ได้เพราะมีหลวงพ่อท่างคอยกำกับกดูแลตลอดเอาถ้าพาระเดินง่วงก็พาโดยยังโกมเราต้ อ, ง ก, อ ง, งก็บอกว่าอา้าวเราสมมติว่า เอาบริเวณนี้เป็นเขตปริวารนะรูปนะจะออกจกเข้าต้องขอพระอาจารย์ก่อนก็เลยเป็นการตีกรอบพระพระออกจากสราก็ไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติกับท่านตลอดพานั่งพาเดินพาถ้า ง, ง่วงมากต้องก็พาเล่นโยคะล้วก็ชอบตอนนั้นนะทําอยู่สามวันวันที่สิบสี่พอวันที่สิบห้านี้สร้างเจ ว, วะเวลาฟังเทศแบบนี้ซึ่งนิสัยนี้มันได้มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว เวลาเริ่มเทสป้าเราก็สร้างเยวะอ้าวเา้าแค่นั้นนะ่ะยิ่งช่วงแรกๆนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นสร้างเยวะทุลุ่มนะเราก็เป็นเรื่องปกติแล้ววันหนึ่งขณะที่สร้างเยวะไปปรากฏว่า ไ, ปปาไอ้พระลงข้อตงเงินเทศท่านพูดเรื่องรูปเรื่องนามท่านพูดเรื่องรูปเรื่องนามปรากฏว่าขณะที่ท่านพูดเรื่องรูปนามเราก็ยกมืออยู่หูก็ฟังเนาะมือก็ยกอยู่สติมันก็ตามรู้อยู่ คือสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราง่วงผ่านง่วงสัมผัสความเบาสัมผัสอาการที่มันชัดเจนลองพ่อท่านเ้ง่ายๆก็คือว่าให้กําหนดคือสัมผัสความรู้สึกตัวเวลาเท้ากระทบพื้นพอเหยียบกระทบปื๊บรู้ปื๊บรู้ปื๊บรู้อะไรมากเราไม่มีวิธีการนเลยเราก็จับแค่นี้แหละมันได้สัมผัสกับสิ่งที่ท่านแนะนํามาบ้างแล้ว พอกลางคืนเนี่ยมาสร้างเยวาปรากฏว่าพอพูดเรื่องรูปนาำเพราะรูปนามชกมือไปรูปน้มคืออะไ ร, รก็คือมันยกอยู่น้มคือตัวมันคิดออกไปถึงโน้นถึงนี้เอา้าคือมันคิดของมันเองคือมันได้ยินแล้วมันคิดของมันเองคือได้ยินที่คนพูดรูปนามก็จบไปแล้วแต่ว่าพอมาสำรวจอาการที่เรานั่งอยู่ตอนนั้นเทียบเคียงเรื่องรูปนามในตัวเราคืออะไรมันเป็นยังไง บาที่นี่ทุกวันพอหลังจากที่ฟังเทศจบจะกลับที่พักนี่ลุกแล้วก็คุยไปเนาะเราก็ไปกลางกดที่ป่ายูคาน์นคุยไปพอไปที่พักก็คุยกันก็ก็เข้าที่พักแต่วันนั้นปรากฏว่าเรื่องการคุยเรื่องความสนใจคนอื่นมันจะน้อยลงลุกก็ลุกที่หลังเพื่อนนะอาสนะลุกที่หลังเพื่อนลุกเสร็จแล้วขนาดที่ลุกขนาดที่เอามันเปทำไมแบบนี้ล่ะ มันรู้ที่ตัวมันต่างจากวันอื่นมันแค่คลมก็รู้แค่ลุกก็รู้ข้าคุณเอา้าเราเป็นอะไรนี่เดินไปจากที่พักจากที่สลาไปสู่ที่พักนี้มันเดินสังเกตตัวนี้ไปคนเดียวนะเอ๊ะทำไมเราเป็นอะไรก้าวเดิละก้าวเดินละก้าวไปยิ่งชัดชัดขึ้นจะขึ้นวันนั้นไปถึงที่พักแล้วมันไม่ยอมเข้ากรอบไปเปื้องสังขารแล้วก็เลยมาพาดไว้แล้วก็จุดเทียนขึ้น เดินเงยกรมวันนั้นตั้งแต่สามทุมจนถึงห้าทุ่ ม, มเดินก็าห้างกวดเขาเข้าที่พักหมดไม่มีความลาคาญกับกับเสียงที่ที่คนอื่นพูดมีพระท่านอยู่ข้างๆเป็นพรเป็นพระเทราที่เป็นเป็นพวกที่มีความคุ้นเคยกันกุบาอาจารย์นะท่านก็พูดหยอกล้อเล่นกันนะทุกวันเราเรารู้สึกว่าลำคานท่านวันนั้นไม่ลาคานเสียงรถสิบล้อวิ่งอยู่ข้างๆไม่ลาคาญ สติมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นนะยิ่งเบาเนื้อเบาตัวเอาความคิดก็ไม่มีสติก็ยิ่งชัดขึ้นก่อนหน้านี้เราเคยทุกข์เพราะความคิดตอนนี้ไปไหนไม่ผลขึ้นมาให้เราได้เกิดไปจับมาเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์มาก่อนโอ้ยพอคิดว่ามันหมดทุกข์แค่นั้นแหละเบาเบาเนื้อเบาตัวมันจืดไปหมดเลยนะ แล้วมันมีตัวหนึ่งที่ติดตามมันก็คือว่าความอยากพูดอ่ะอยากพูดอยากคุยอยากพูดให้คนฟังพอดีว่าเห็นหลวงพ่อมาหาหลายท่านวันนั้นหลวงพ่อมาหาท่านไปทุระท่านไม่อยู่แต่หลวงพ่อมาหาหลายท่านก็ปรากกดูข้างๆอยู่ที่กระตอปยาคาไปหาหลวงพ่อไปคุยหลวงพ่อฟังหลวงพ่อมาหาหลายฟังท่านก็ฟังเราท่านก็แนะนําขณะที่คุยหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแก้ลมเราเนี่ย ผมว่าข้าพุ่มเป็นอะไรผมเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้มิคุยฟังเออก็ดูมันนะท่านว่าก็ดูมันก็สังเกตมันมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ต่างจากควายหรอกท่านว่าควายเชือกผูกหลักตอกแต่ก่อนจิดแล้วมันควายท่านว่าพอเราจากเราสร้างเกี่ยวกับมาเข้ามาเข้าม า, เ ข, า, มาเข้าเนี่ย ควายมันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะเชือกผูกมันอยู่มันมีตออยู่สุดท้ายมันก็ล้มอยู่ข้างๆตอที่มัดนั่นแหละถ้าก็หมายถึงความคิดของเราจิตของเราก็คล้ายๆกันพอเราจะเดินสติมากเข้ามาเข้ามันก็สุดท้ายก็ไม่ไปไหนกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราขณะฟังหลวงพ่อไปเนี่ยมันเทียบเคียงถึงความที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันถึงความสุขความทุกข์มันมันมันเหมือนกับเราหมดทุกแล้วในแบบนี้นะมันเป็นแบบนั้นจริงๆสัญญาเราเนยความคิดจะเป็นแบบนั้น เสร็จจากหลวงพ่อเกือบเกือบห้าทุ่มกว่ากลับมาที่กดไม่ยอมนอนเดินยังกลมจนถึงเกือบหกทุ่มนอนในพักหนึ่งตื่นก็มาก็ยังเอาอีกประมาณตีหนึ่งกว่ามไม่หลับเลยนะวันนั้นเอาเกือบทั้งคืนคือวันนั้นเนี่ยมันมันชิดนะมันคิดมันคิดอยู่คนเดียวเนะี่ยมันเกิดความหลงเกิดความหลงในสิ่งที่ตัวเอง เ, เป็น มันคิดว่าเราหมดแล้วทุกข์ไม่มีแล้วที่จะเป็นสายอีกนี่เล่าให้ทุกต้องทุกข์เหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีคือผมมันจะมามีความโชคดีตรงที่ว่าเราเคยทุกข์มาก่อนทุกข์จนเครียดจนนอนไม่หลับเราเคยประสบมาก่อนพอหลังจากที่มันเคยเจอทุกข์หนักๆมาแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มาประสบอีกอารมณ์หนึ่งที่มันไม่มีอะไรในจเลยมันมันพอจะสามารถเทียบเทียงเอาอาดีตสัญญาที่เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์มาม า, มาเทียบเทียงกันได้ระหว่างภาวะที่มันทุกข์หนักๆกับภาวะที่มันไม่ทุกข์เนี่ย ขณะนั้นไม่ทุกจริงๆขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นการที่ไม่ทุกก็คือมันเป็นขณนะนั้นจริงแล้วเราก็ไปสําคัญในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงด้วยเตือนช้ามาก็ยังเอาอยู่นะไปล้างหน้าล้างตาก็ยังมีมีภาวะการนี้อยู่ไปวินตบาก็ยังพอมีอาการอยู่กลับจากวินตานานไปเลยทีนี้ที่พักหลาม า, ลาุลพ่อทั้งก็ปล่อยทั้งรู้จักทั้งปล่อยภาคปฏิบัติตามตามตามบริเวณป่า เราก็ไปเดินอยู่คนเดียวตอนนั้นมันเป็นเดินคุมพามันหนาวเนาะมันหนาวเราก็ไปเดินอยู่ข้างๆไกลๆเพื่อนหน่อยอก็ยังก็ยังชัดเย็นอยู่มากที่เจอเมื่อเกิดมันยังไม่อ่อนตัวเลยมันยังถึงตอนเชา้าอีกหลังจากนั้นมาเนี่ยพอหลังจากเจอตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านชวนแ้วท่านคงเครู้จักท่านก็เลยไปชวนเราว่าเออ เป็นยังไงกี่พรรษาแล้วต้องมาถามนะ อ, อ, อยากขึ้นไปเก็บอารมณ์ที่แพร่ไหมอยู่ที่แพรแสงเทียนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้เก็บอารมณ์ครับเลยนะท่านชวนนะทงครับพอรับปากหลวงพ่อก็คือก็คือขึ้นมาที่นี่กับท่านตอนนั้นนี่ไม่เคยรู้จักกีฬาแพร่มาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จักพระที่อยู่ที่นี่ คือรู้อยกจะพ่อหลวงพ่อมาในเหลขรูปเดียวพอหลวงพ่อชวนก็คือเราก็เลยแวบเกินไปโอ้นี่ละมากที่เราอธิษฐานใจที่เป็นพระอยู่ที่บ้านนะ่เวลาเราสวดมนต์เสร็จเราบําเพ็ญกุศลเสร็จเราอธิษฐานขอว่าขอให้เรามีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ที่พอจะเป็นอาจารย์สอนเรื่นี้ให้เจรเราได้นี่พอเห็นหลวงพ่อมาหาเลยค่ะว่า ม, มันเหมือนกับเราเจอแล้วอะไรแบบนี้นะก็เลยตัดสินใจตามท่านมาเลย ตอนนั้นที่มาปฏิบัติธรรมก็แล่ชวนโยมมามาเกคนโยมที่บ้า น, นพอไปบอกโยมว่าจะขึ้นมาแพร่กับหลวงพ่อมาใ น, นเลนยโยมเนี่ยลองให้หมดเลยลองให้ไม่ใช่ลองให้พ่อเสียดายอะไรนะเขาดีใจด้วยเขาดีใจที่หลบพ่อชวนเราเราขึ้นมาหลวงพ่อพ่ออะไรพ่อวันสุดท้ายเนี่ยวันที่เจ็ดหลังจากที่ปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเขาจะมีการรายงานอารมณ์นะเขาจะมีการรายงานอารมณ์ หลวงพ่อเจรันเทศจบมีแม่ชีคนหนึ่งรายงานลวงพ่อนเราพอหลังจากเสร็จเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเราเป็นพระใหม่เป็นพระวัดบ้านด้วยสีเกียวก็ไม่เหมือนพวกพิธีกรเรียกเราสีมีพระใหม่รูปหนึ่งดูแล้วดูเข้าท่าเข้าทีเราลองพระฟังพระใหม่บ้างคือเราเป็นพระวัดบ้านนะส่วนมากพระที่อยู่กว่านก็มีแต่พระเก่าแบบนี้มีสีเกียวแบบนี้เราสีเกียวเหมือนพวกคนเดียว ก็มีเพื่นที่ห้องความาหาให้ล่าสุดก็ยังไม่กล้าใส่เพราะมันแค่เพื่นเดียวเราไปคุยไปคุยปรากฏว่าเงียทั้งสลาเลยนะเพราะว่าความที่เราเป็นพระใหม่เขาไม่เคยเจอเรามาก่อนพระในสายงานเราเป็นครั้งแรกที่ไปเจออยู่ดูงานนั้นเนองเขาตั้งใจฟังมันจะต่างจากพระเก่านนเวลาพระใหม่พูดมีรสมีชาติเพราะท่านพูดมาจากประสบการณ์โดยตรงไม่ได้พูดมาจากการฟังครูบาอาจารย์มา เราจะฟังไคที่ไหนเราก็ลำเลียงแต่วันแรกที่มาปฏิบัติเจออะไรบ้างใครเป็นคนนําพาปฏิบัติสุดท้ายเราได้อะไรจากการปฏิบัติโคกปรากฏว่าพอเราพูดจบภาษาทุทั้งสลาเลยเ <c oughs> สร็จแล้วหลวงพ่อจันก็เลยว่าโอ้การหาเพจหาพลอยขังเงินหาทองมันไม่ยากหรอกแต่การหาพระนี่ยากโดยเพราะพระปฏิบัติธรรมนี่งานหนึ่งที่จากงานปฏิบัติธรรมลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยได้พระรูปเดียบลือว่าคุ้มค่าครับ เสร็จแล้วท่านก็นชวนขึ้นเราเราไปมาที่นี่พอหลังจากออกกันไปก็ไปที่ทัา พ, พิ้งขวัญวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติที่ทัา พ, พิ้งขวัญก็ไปอยู่ที่นั่นพอไปแล้วคือพอหลังจากที่เราคิดว่าเราได้มากับหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราก็คล้ายๆว่า ม, มันดีใจเพราะในส่วนเบื้องต้นที่เราเกิดแอบประทับใจในความเป็นท่านนะแสดงธรรมก็ไม่เหมือนคน อ, อื่น แล้วความเอาใจใส่ความเมตตาพระใหม่มันจะเป็นการที่ทําให้เรามีความอบอุ่นนะก็เลยก็ค่ะมีความปูกพันมีความเคารพท่านอยู่แล้วพอท่านชวนแต่ก่อนมีหลวงพ่อทั้งมีรถรถมีสูบขันหนึ่งรถตู้นะที่ใช้ในการเผยแผ่ท่านก็อาดกันขึ้นมาในะอยู่ที่วัดท่ามิงขวัญพ็ไปเห็นที่ทําเมิงขวัญรูปหนึ่งนึกขำขำเราได้ลงเป็นใหม่เนะพอไปถึงที่นั่นเสร็จ ป, ประมาณช่วงบ่ายเราก็ได้กดนะก็ไปหาที่พัก เอาเชื่อปรดแหวนแขวนกดเห็นภาพรุปนั้นสร้งอยู่ว่าเราก็นึกหัวเลาะอนะโอ้ทำมาเป็นโน้ตายรูปนั้นทํายกสูตรมือนะคือเอากัะเคนแต่นอะเอายาว ๆ, ยาวๆยาวอยู่ก็ใครๆฟอนเนี่ยเอาเขาเราเดินผ่านแล้วก็ขำนี่เราประสบอารมณ์ใหม่ๆมันถ้าถ้าได้อารมณ์ใหม่มันจะมันจะพอรู้นะทำขนาดที่มันจะพอดีเนะี่ยขณะนั้นที่มันพอจะสัมผัสได้เนะี่ยเราเดินผ่านแล้วก็ยิ้มๆนะ พวกคู่หวานกัเขา เ, ขาเอาเขาเขาแน่แท้ว่าสร้างเยาวานไปอยู่ที่นั่นอยู่สองสามวันหลวงพ่อก็ขึ้นมาที่นี่พอมาถึงนี่ประมาณสักทุ่มเสร็จนี่แหละมองมาทิ่สารานี้แต่ก่อนมันไม่มีหลังนี้นะก็มีเฉพาะหลังนี้เห็นไฟที่สารารถคอยวิ่งโน่นวิ่งไปทุ่นไปจอดพอรู้ว่ามาสารานี้กําลังมีงานอบรมอยู่แล้วก็ไปหาที่พักพอดที่พักเสร็จ เดิยกมือในพักหนึ่งอ่ะในพักนี้ทําไมเรารู้สึกมันปวดปวดมันปวดบริเวณหลังแล้วก็ปวดหนักขึ้ น, นเรื่อยๆ เ, เอ้าเป็นอะไรพออากาศอาการมันหนักขึ้นก็เลยเดินไปหาลงตาอยู่ข้างๆเอ๊ะลงๆพอไงผมกำลังมาไหมนะครับผมมองจากผู้ใดแต่ผมมียอยงางปวดหลังปวดเอวน่ารำมั่สอบว่าลมเจ้าะแล้ววาลงตาจันทร์ลงตาจันทร์กับลงตา ท่านมาจะลงตาเขียวน่องตาจันท์อยู่อยู่อยู่ชายภูมิน่องตาเขียวอยู่อยู่โคราชอยู่ตีนข้างไปหาท่านหลัสอบประหลาดเจา้าสันสอบประหลาดยังไงเพื่อปวดขากปวดเนี่ยเด็กเกิด้ว่ามันมันมันมันจากการนั่งนานนะก็ไปเลยยังกลมก็ไม่หายคืนนั้นสุดท้ายแล้วก็เลยเขาส่งโรงพยาบาลมาบอกทั้งก็ส่งโรงพยาบาลหมอยามาก็พอบันเทานะเพราว่าล้างมานี่เอาแล้วปวดข่าวล้งได้ปวดหนักเลย หลวงพ่อก็เลยส่งเข้าโรงพยาบาลแพร่พร้อมมิดกลางคืนกำลังเท่อยมั น, ม, นมันอดไม่ไหวมันมันมันทนไม่ได้หลวงพ่อก็เลยให้โยมพาเข้าไปโรงพยาบาลแพร่พร้อมมิดไปกลงคืนเลยไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปตรวจดูกว่ า, วามันมันมันเป็นนิ่วมันมีตอนหนึ่งที่ที่เราพอจะเห็นคุณค่าขณะที่เราปฏิบัติใหม่ๆนะว่ามันช่วยได้ยังไงคือขณะที่หมอโรงพยาบาลเขาเขาใช้เครื่องมือเขาเนี่ย โทษนะเราก็ทั้งอายเนาะมันเป็นนิ้วเขาต้องสองกล้องใช่ไวมล่ะน้องพี่ไม่ต้องอายนะโอโปิดหน้าปิดตาเนาะเขาก็เปิดั้งเราหมดนั้นแล้วนะเปิดหมดหมอนะเขาก็โอ้ยเนาะไม่อยากพูดเนาะเขาแหนเราออ้าขาออกกันแล้วเขาใช้เหล็กอะแย่เข้าไปนะใช้กล้องเนะี่ยแ่เข้าไปเขาจะรู้จักนิ้วเรานะ อู๋ขนาดนั้นมันไม่เขาไม่ใช้ยาชาเลยนะเขาใช้แบบสดๆเอาไงเราทีนี้มันปวดมากมเจ็บมากไม่รู้ทําไงเอามือมันมันคลึงมืออยู่ข้างเตียงนะเอาแค่เอาปวดปวดปวดมันเจ็บมากทรมานมากนะยคลึงมือคลึงมืออยู่เอากว่าเขาจะเสร็จนะเราก็แทบตายแต่ดีว่ามันพอมีโอกาสได้มันหลบอยู่ตรงนี้บ้างได้บ้างตรงตรงขยี้มือนี่นะขยี้มืออยู่ข้างเอาลูกศิลป์ที่มือนั้นรู้ศึลปันออกจากเวทนาไม่ต้องมาอยู่ที่ตัวเขาทําให้เรา น้ำมัยอตัวนี้มากน้ำมาันโดดที่มือเราปรากฏ ว, ว่าวันนั้นเออผ่านไปได้เพราะเพราะอาศัยความรู้สึกที่เ อ, อ๊มันคือไม่คิดว่าจะทํานะแต่ว่าพอถึงคราวหนึ่งมันมันจะมันจะปวดขึ้นมาให้เราได้แก้ปัญหาเองไ อ, อ้ตรงที่ว่าเนี่ไม่มีใครแนะนําเราหรอกแต่ว่าพอหลังจากที่เราไม่มีที่จะพึ่งแล้วใช่ไหมล่ะยาเขาก็ไม่ใส่พอไปถึงแล้วก็มัดขาเรามัดแขนเร า, าเนี่งย ง, งั้งไปที่ก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของรักษาเรา สุดท้ายแล้วก็คือมันพนน้นได้ตัวนี้ปรากฏว่าเขาว่านิ้วอยู่ในลําก้องเราทั้งสามเม็ดแล้ว น, นะที่มันปวดอ่ะโอ้ปรากฏว่าพอหลังจากเสียดหมอเขาเรียกมาคุยหมอก็หมอรูกศีลลงความอาหารหมอปิยะไม่คุยเรื่องโรคนะคุยเรื่องอารมณ์อย่างเดียวท่านเป็นยังไงปฏิบัติยายัางไงปวจกี่ภาษาแล้วได้ลมด้วยยังเลยโอ้ยหมอพูดเรื่องลมภาวนาแล้วก็หัดเตรียมที่มึงกับหมอเลยนะนั่งคุยตั้งนานกวยาอีกจับว่า พอกลับมาแล้วปรากฏว่าหมอเขานัดนัดอีกเขาจะผ่าตอนนั้นมันเป็นเดือนกุมภาพัน์เขานัดผ่าเดือนสิงหาคมในปรรษาเอ๊ะทำยังไงนี่สิงหาคมก็คือเราคิดว่าเราจะมีเวลามาที่นี่ก็คือมาช่วคราวนะมาฝึกเฉื่อยแล้วก็จะกลับไปจมันสากับหลวงพ่อมหาหลัยแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วนะี่ยมันได้ปฏิบัติเพิ่มเติมประสบการณ์ปีเล่นได้เยอะมากเลยนะแรก เก็บอารมก็ได้รู้มไวเดินยกรมเนี่ยมาอยู่สลาหลังนี้สลาอันนี้ด้านหลังนี่เดินกัมพ้ายางกับสินพาปฏิบัติพักหลังพ่อพอนั้นท่านก็ไปเผยแผ่ท่านเราก็อยู่ที่ว่าพับ้ายางเสร็จท่านพาปฏิบัติอยู่ตรงนี้เดินกรมเอะวมันเบาเบาเนื้อเบาตัวสักพักมันเบามันใช้เวลาไม่นานนะไอ้แค่รู้สึกตัวเนี่ยคือเราจับได้แล้วเนี่ยเพราะหังจากมาทําคือปีติมจะเกิดขึ้นไหว อาการเบาเนื้อเบาตัวเป็นธรรมชาติมากอาสนะทรงตัวนี้เวลายกมือส้างเหว่าตัามามันกับแข็ง ย, ยืดขึ้นเวลายกขึ้นนะมันกับแข็งยืดขึ้นไปดานนะมันยืดขึ้นยืดขึ้นในความรู้สึกนะและเวลาวานที่มือเนะี่ยมันกับมันกั บ, กบปะสปริงนะเวลาโดดลงสปริงมันดึงขึ้นดึงขึ้ น, นเบาแล้วได้ลมได้ดีดีเข้าเก็บลงก็ได้ลมดีเวลาปฏิบัติกับเพื่อนก็ได้ลมดีคือละแยะเนี่ยอารมณ์ภาวนามย่จะก้าวหน้าได้มากสังเกตดูนะ อะไหลาที่มันมันมันมันผ่านประสบการณ์ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยจนเมื่อถึงคราวที่เราอยู่สักภากหนึ่งปรากฏว่าปัญหาเก่าที่เราเคยทุกข์มันไม่ค่อยมากวนเราแต่มาไปแก้อาลงนี้ได้อยู่ที่ผาตืมมันจะมีที่ปฏิบัติอยู่ที่ผาตืมขณะที่เราสร้างเ ย, ยวะอยู่ในถ้ากัดตีนเราเนี่ยนะถ้ามันกินเลือดเราไม่รู้เรื่องอนะขณะที่วางขาลงเนี่ยหลวงพ่อก็พาไปปฏิบัติอยู่นั้นสิบห้าวัน ไปยกเงือนสร้างยีวะอาตมาไปแยกระหว่างความรู้สึกกับความคิดชา้ามันจะชัดเจนมากอาการชัดเจนมากที่สุดขณะที่สร้างยีวะไปเนี่ยเอ๊ะแต่ก่อนความคิดกับความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดคิดไปยังอดีตคิดไปยังเรื่องเราที่ผ่านมาแล้วมาเป็นตัวตอกย้ำใหตัวเองคิดก็เลยทุกข์เพราะความคิดแต่พอมาสัมผัสความรู้สึกตัวอ๋อความรู้สึกไม่ได้ความคิดนี่มันเขาละตัวนี่ ถ้าหยอกความรู้สึกตัวได้มันก็ไม่มันก็ไม่ทุกมันมีการแยกแค่อารมณ์อยู่ระหว่างอยู่ที่อยู่พาตืมออมาเข้าเจ็บอารมณ์นี้ก็ได้อารมณ์มันจะเยอะมากประสบการณ์นี่อาตมาก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านที่เคยคิดว่าจาะไปยมรันาก็คือไม่ไปแล้วก็เลยไปพูดกับหลวงพ่ออยู่ทางบ้านพ่อมาไหลก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่อยู่ตั้งแต่ปีสีหนึ่งจนถึงปีสี่เจ็ ก็ปฏิบัติไปทํางานไปเผยแผ่ไปโดยพ่อกันเผยแผ่แต่มามันถ้าภาษาจเจ้าโลกเเรียกว่าเสนอหนาไหยเข้าใจไหมหลวงพ่ออ้อาวทั้งย่างศิลจางกรมกิจไปโรงเรียนนี้นะลาดประชาโนเคราะห์แพร่เขานิมนต์ไปอบรมหลวงพ่อใช้จังกศิศศศลป์จังกมกิจนะแต่มาเสนอหนาอาจารย์ครับผมไปนําไมครับอาจารย์ผมไ ป, ไ, ไปทำไมครับอ้าวไปทําไมผมอยากไปน้องอาจารย์ไหม คือเราอยากไปดูว่าครูบาอาจารย์สอนยังไงเวลาสอนเด็กนั้งเรียนอบรมยังไงนะเราไปก็ไปช่วยแ ห, หละไปช่วยท่านไปช่วยท่านไปคุยนิทานใ ห, ให้เด็กชาวเขาฟังจะเด็กชาวเขามาลองให้คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรมาดีไปหมดเวลาพูดมันก็น่าฟังหลวงพ่ออบรมนักเรียนอยู่ในวัดเนี่ยให้เวียนฐา น, เ, นเวียนฐานสีฐานฐานพุทธประวัติฐานศาสนาพิธีฐานเดยรยงกรมฐานสร้างยว่าให้เราอยู่ฐานพุทธประวัติ มันได้รมดีนะมันมันทำงานสนุกพูดสี่ชั่วโมงมนะันไม่ได้หยุดเลยนะเด็กเวียนมานี้สี่ชั่วโมงค้ชชั่วโมงเขาก็เวียนไปใช่ไหมละ่ะคุด้ใหม่เข้ามาอีกเกาเวียนไปอีกสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันสบายเลยพูดเลยมันสนุกในการทํางานเผยแผ่เนี่สนุกมากพอเรื่องจัดทาแล้วน้องพว้าก็ให้มาเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็สบายทีเพราะเราก็มีเพื่อนถ่านลมเก่าที่มีอยู่แล้วทํางานนะซึ่งตอนนั้นมันสนุกในการทํางานมากในระหว่างช่วง ปีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกยิงหลวงพ่อส่งไปที่บ้านปากปานโอ้ยยิงสนุกทํางานชาวบ้านที่นั่นนะะทุกวันนี้บ้านปากปาน ก, ก, ก็ยังถ้าพูดถึงเรื่องธรรมาเขาเขารู้จักกับทั้งหมู่บ้านไปอยู่เขาปีกว่ามันสนุกไปหมดทํางานจนคิดว่าธรตมาคิดว่าอ้คิดว่าอยู่แค่แสงเตียนสักสิปีแรกๆที่ตั้งใจสักสิปีเราก็คิดเรื่องอื่นปรากฏว่า ไอความคิดเรื่องของย่ากับยายน่ะ ม, มากวนมากวนมากก็เลยทนไม่ไหวต่ออารมณ์นี้สุดท้ายก็เลยปีสี่เจ็ดก็เลยได้ ล, ลงไปไปสร้างวัดที่บ้านอยู่สิบสองปีเติร์บทดสอบมากที่สุดเลยนะเรามาอยู่นี่เขากลาบเขาไหวเขายอมรับเขานับถือเราไปอยู่ที่บ้านเขาด่าอย่างกับมูกับมาเดินบินดาบาผ่านบ้านกลุ่มต่อต้านเราเนี่ด่าเรา ด่าเราบางทีโทษนะมันจะถมลายใส่เราจะซ้ําไปมันฉีดเราผ่านเราเอาไปคนเดียวเขาจะต่อต้านมากเขาจะ อ, าอะไรมากก็าอาศัยสิ่งนี้แหละอาศัยสิ่งที่ผู้คุจา ก, กูบาอาจารย์นี่แหละมันผ่านบนวิกฤตเลยมากมาเยอะจนทุกวันนี้มันก็อยู่ได้แล้วทุ๊กอย่างมันลงตัวก็เลยเออเรายังไงก็กูบาอาจารย์ก็ไปเยี่ยมบ้างหลวงพ่อท่านก็ไปบ้างโยมมีคุณแล้วก็ไปหมดนั่นแหละไปเยี่ยมระหว่างที่ไปอยู่ใหม่นะ ในเมื่อเราไปอยู่คนเดียวก็หลายปีแล้วมันครบสิบสองปีพอดีปีนี้เขาก็เลยนิมนต์ให้ออกจากวัดเพราะว่ามันมันสร้างอะไรหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ไม่มีอะไรจนสร้างเป็นวัดแล้ ว, ลวเขาก็เลยว่าตามเป็นยังให้ท่านธาธาธาอาจารย์ออกไปก่อนออไปเพื่อรักษาประเพณนีนี้ไว้นะคือเขากลัวเจ้าว่าตายนะเจ้าวัด จะโยมวัดปาคนในแดนกลัวจะว่าดตายเขาก็เลยนิมนต์ให้บอกจากวัดสักพันสักพันสาหนึ่งพอเสร็จแล้วก็ให้กลับมาใหม่อะไรแบบเราก็คิดว่าเออยังไงเราก็ทํามาตั้งสิบสองปีแล้วต่อเนื่องไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ เ, เลยคิดว่าแพรแสงเถิด น, นี่แหละคงจะพอเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะมาพักอาศัยกับครูบาอาจารย์มาก็จะขอว่าอาจารย์ครับผมไม่ขอทําอะไรนะถท า, าภาษานี้ผมจะมาขออยู่เจก็บอารมสักสาสี่เดือนนลยนะ หือห้าเดือนก็ว่าไปแหละแต่ขอเจ็บปรลมตั้งแกไว้นะตอนที่ตั้งแกวันที่จะมาอยู่ที่นี่พอมาแล้วคนละเรื่องเลทีนี้อาจารย์ก็ไปขออาจารย์เออมาก็ดีแล้วให้เราไปพักผ่อนบ้างเราไปเจ็บภาวนาเราบ้างอาจารย์ก็ไปที่ระยองเนะี่ยมาแล้วก็โอ้อยยานก็ได้นอนเอาว่าที่มาขอเจ็บปนลมผักกลมมากกว่าไม่เป็นเจ้าวาดให้เก้าวันวันนี้ก็ได้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่มันก็ดี แต่เมา่อวัที่ว่าเป็นการได้คืนมาแทนทดแทนบนคุณนะไม่ลืมหลงพ่อก็เหมือนกับพ่อโยม่คุณโยมเนี่ยก็เหมือนกับแม่ที่เราถือกันมาดูแลกันมาตลอดวัดเราญาติโยมก็มีความคุ้นเคยกันดีสถานที่ก็ดีก็เหมือนกลับมาบ้านเก่านั่นแหละกลับมาบ้านเก่าตัวเองก็มีอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่มีอะไรมากนอกจากการที่ทำํำไปตามหน้าที่นะก็เลยปีนี้มีหมู่พณะสงฆ์ที่อยู่ด้วย ก, กันก็ทุกลูกก็ อยู่ร่วมกันดีนะไม่มีอะไรทุกคนให้ความอุ่นใจกันแล้วกันจนมาถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยอยู่ก็มันก็ย้อนกึงไปได้บ้างนะดังนั้นในระหว่าง น, นี้ก็เห็นยิ่งเห็นโยมมาปฏิบัติบรรยากาศในการปฏิบัติก็ เ, เป็นเปนเพื่อให้มันช่วยกันส่งเสริมงานปฏิบัติในส่วนนี้ไว้นะประโยชน์ที่ประเจพึงเกิดจากการภาวานานเนีย่ยตมาคิดว่า มันมีคำตอบอยู่หรอกนะมันไม่ยากถ้าทำดีๆเนี่ยตั้งใจทำาดีๆนี่มันมันคงไม่ไกลเกินนะมันคงพอมีโอกาสให้เราได้สัมผัสบ้างนั่นแหละทันก็ขอให้เป็นกลังใจนะกำลังใจให้ทาต่อๆไปถ้ายังไม่ได้อะไรก็ขอให้ทำไปสักวันหนึ่งมันก็คงจะได้เองหรอกถ้ามันไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าได้ทำนะไม่ขี้สาดนะนะเอาดีๆลูกเมียนเยอะยนี่ ทำดีวัดพะนอนเรานี่นะหลวงพ่อยาคุณก็จัดส่งเสริมให้พวกเรามาปฏิบัติก็เพื่อไปช่วยๆกันนี่แหละเห็นการปฏิบัติมันมีประโยชน์มีคุณค่าเอาละเนาะ<ม>เพื่อนใลนสามทุ่มนั่นเนะเมื่อคืนก็ฟังสามทุ่มนนี้ก็สามทุ่มแล้วฟังเล่นๆนะสรุปนะสรุปก็คือว่า าตมาอยู่มานี้ยี่สิบปีพอดียี่สิบปีเต็มยี่สิบปีนี้ก็คือถ้าว่าเป็นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ฝ่ายเรื่องนี้มาตลอดนะความที่อยากเป็นมหาป ร, ริญญาธรรมถูกพังลงลา ห, หมดเลยทําไมไม่ได้ไปเรียนพอมายกมือแล้วมันพังหมดโยคิดว่าแต่ก่อนประริญญนธรรมก้าประโยชน์เราจะเอาให้ได้แนะ้วพอมาอยู่นี้ปีแรกเนี่ยตัดสินใจพั่วเลยไม่ไปแล้ว เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นมหาทีเนี่ยที่เราอยากเป็นมหาปเรียนธรรมไม่ได้เป็นเลยพอมาจับตรงนี้แล้วมันมันพังหมดอะ่ะมันก็เลยจับตัวนี้มาตลอดแต่ก็ไ ด, ไไดเ้เราไม่ได้เป็นปรเราไม่ได้เป็นปเรียนธรรมก็เลยมันก็เลยส่งผลไปยังลูกหลานลนะลูกหลานลูกโยมพี่สาวบางก็เอามาบวชอบรมเลนอะไรต่างมาเรื่อยก็เลยให้หลานเป็นมหาปเรียนธรรมแทน ตอนนี้ก็มีอยู่บ้างเล็กเล็กน้อยพอที่จะให้เป็นเครื่องแทนชดเชยที่เราอยากจะเปลียนเราไม่ได้เป็นก็เอามาหาเน้นเรียนให้โรงนาหน่อยเด้อเรียนได ห, หน่อยเขาเราก็ให้กําลังใจเนียนเอาก็้ท่านเดียนจะเป็นพระทุกวันนี้ก็ก็ได้ส่วนนั้นแหละที่ที่ท่านได้ทําชดเชยให้แกเราเราไม่ได้เป็นเขาจึงว่าเขาว่าอาจารย์พญานุสินท่านไม่ได้เป็นมหาหรอกแต่ว่าท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์มหา ไดเป็นมหาบุเรียน ร, รมแต่ท่านเป็นอาจารย์ก็อาจารย์มหาหามเดินไปนั่นก็ตอนนี้ก็จิตวิวัตก็ทำสองส่วนร่วมกันการภาวนานี้เราก็ดูแลส่วนการศึกษาบาลีก็ให้มาหากรุ๊มรู้สิทนั่นแหละที่ท่านเคยบวช ด, ด้วยนั่นแหละที่มีวัดพะนอนนี่เป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งที่จะเราจะส่งไปแล้วก็เป็นแหล่งสาปนปัญญาแสมเนนนะอาตมาหลวงพ่อเจ้าวก็รู้จา ก, กที่นี่แหละแล้วก็มีความรุ่นเคยกันก็ส่งเนนมาให้ท่านเรียน ที่ส่งมากับท่านนี้เดี๋ยนี้ก็สามสามลูปจะสอบประโยชเก้าปีนี้นะเป็นเนนหนึ่งลูปพระสองลู ก, ลกที่จะสอบประโยชเก้าปีนี้ที่ออกจากที่นี่ไปเนะที่จะมาส่งไปที่วัดพระนอนนั่นก็คือส่วนปฏิยัติที่ได้ส่งเสริมอยู่ส่วนปฏิบัติจะมา ก, ก็ดูแลไปเท่าที่จะดูแลได้นะอยู่ที่วัดไม่มีใครนะนี่ไม่แต่ไม่แง่ต่อเถานี่แหละอยู่วัดนะอยู่ด้วยกันมาไม่มีใครดิอยู่ที่วัดจะมานี่ยนะ ตมายังไม่อะไรมากกับปีวัดคือคงจะเป็นไม่ปฏิสีตสายาเรื่องภาวนามัาก็เลยไม่มีขยากไปอยู่ด้วยตมาก็เลยสบายอยู่ประเนน้อยหน่อไม่มีคอร์สมันแค่แสงเทียนนะไม่มีควาหลวงพ่อมาหาเด้วยตมาก็เลยไม่มีเวลาที่จะอะไรมากนอกจากอยู่กันเนน้อยก็มีพระมาบสถด้วยก็พาท่านเดินยยคมพาปฏิบัติบ้างก็คือมีบ้างแต่ว่ายังไม่มีอะไรมากกับกับแพร่กับหลวงพ่อท่านทํางาน คงแกเป็นเพราะว่าบา ร, รมีเรายังไม่ถึงทั้งคนเลยให้เราอยู่กับเน้นว่าไปเสื้อก่อนถ้าเราไปจับงานตัวนั้นอาจจะคือมือยังเป็นมือสมัครเล่นน่ยนะยังทำงานไม่ได้ก็เลยก็เลยอยู่